บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปจิตานุปัสสนาคู่ทิศานที่ทรงแสดงว่าเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราปราศจากโมหะเป็นตัวการสําคัญ ในการประพฤติปฏิบัติพระโมหะจ่อมเป็นมูลรากของกิเลสทั้งมวลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสดแสดงไว้ว่าเมื่อความโลภ บ, บังเกิดขึ้นภายในจิตความมืดมนภายในจิตจ่อมเกิดขึ้นเมื่อความโกรธบังเกิดขึ้นภายในจิตความมืดมนภายในจิตจ่อ ง, งเกิดขึ้นเมื่อความหลงบังเกิดขึ้นภายในจิต ความมืดมนภายในจิตย่อมจะเกิดขึ้นสภาวะที่มืดมนทางจิตนั้นเป็นอาการของโมหะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยสนับสนุนกิเลส ท, ที่มีชื่ออย่างอื่นอยู่ด้วยไปแท้จริงแล้วโมหะที่ปรากฏแก่จิตจะปรากฏในสองลักษณะด้วยกันคือลักษณะแรกได้แก่วิจิกิจชา คือความเครือบแครงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องเป็นหลักๆแป่ประการด้วยกันคือหนงความสงสัยในพระพุทธเจ้าความสงสัยในพระพุทธเจ้าที่บางเกิดขึ้นมานั้นบางคนอาจจะสงสัยในเรื่องหยาบๆที่เกี่ยวกับพระประวัติของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะในตอนที่แสดงถึงอภินิหารและปาฏิหาริย์ต่างๆ ซึ่งความเครือบแคลงสงสัยในกรณีนี้เกิดขึ้นจากขาดตาขากตะปกติศธาคือความเชื่อในปัญญาเครื่องศัสรูของพระพุทธเจ้าประการหนึ่งขลังของโยนิโสมนัิการคือการกระทําไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายประการหนึ่งและเกิดขึ้นโดยการประเมินตัวเองสูงคือกําหนดว่าอะไรที่เรื่องอะไรที่ตนเองทําไม่ได้คนอื่นก็ควรจะทําไม่ได้ และที่สำคัญก็คือจะตัดสินปัญหาด้วยประสาทสัมผัสของตัวเองอะไรที่ตนไม่เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูไม่ได้สูดดมด้วยจมูกไม่ลิ้มเปลิ้นไม่ถูกต้องด้วยกายแล้วก็ปฏิเสธออกไปซึ่งเป็นการปฏิเสธในลักษณะขาดหลักดังกล่าวแล้วคือโยนิโสมนัสิการแต่บางคนไม่ได้ค้องใจสงสัยในส่วนนี้อาจจะค้องใจสงสัยในส่วนที่ลึกซึ้งลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทธคุณตลอดถึงความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นบุคคลซึ่งมีตัวตนอยู่จริงในทางประวัติศาสตร์ความเครียอแปลงสงสัยในลักษณะนี้อาจจะเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งภายในจิตของบุคคลจะในขณะที่ปฏิบัติ บ, ตบำเพ็ญเพียรทางจิตจุอาจจะเจริญพุทธานุสติหรือภาวนาวาพุทโธก็ตามความหักเหทางจิตจะเกิดขึ้น เป็นเนื้อนึกก็เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและนำมาเป็นบนชินใจเกิดความเครือบแคลงสงสยัยจิตก็จะหยุดลงเพียงเท่านั้นซึ่งแสดงว่าขณะนั้นจิตได้ถูกโมหะครอบกัมจุดผู้ปฏิบัติจะต้องวิเคราะห์จิตของตนให้ชัดเจนลงไปในแต่ละขณะว่าในขณะนี้จิตของตนเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะ หรือปราศจากราคาโทสัโมหะก็ให้รู้ตามความเป็นจริงแต่ในยามใดก็ตามที่จิตมีความเชื่อมั่นในประสัพพันยุตยานของพระผู้มีพระภาคเจา้ายึดมั่นโดยหลั ก, กะตถาคตโพธิสัตว์คือเชื่อมั่นในการสัจรุของพระผู้มีพระภาคเจา้าปัญหาบางอย่างที่อยู่นอกวิสัย <c oughs> ของประสาทสัมผัสตนก็จะยกถวายให้พระพุทธเจ้าว่าเป็นเรื่องของประญาณเป็นเรื่องของประสาทพันยุติญาณเป็นเรื่องของบุคคลมีผู้มีบุญทั้งหลายก็จะผ่อนคลายความเครือบแพลงสงสัยลงไปได้เวลาความเครือบแพลงสงสัยในจุดอื่นบังเกิดขึ้นก็ใสยหลักของโย น, นโีโสมสิกานคือทําในใจไว้โดยเหตุโดยผลมีกฎเกณฑ์ในการอ้างอิงเทียบเคียง มีความคิดที่เป็นระบบสืบเนื่องกันไปแล้วก็จะหาข้อสรุปตัดความเคลือบแคลงสงสัยออกไปจากจิตใจได้สภาพจิตที่วิ่งบนอยู่ระหว่างโมหะกับปราศจากโมหะนั้นก็จะวิ่งไปวิ่งมาอยู่สำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จิตตามความเป็นจริงในกรณีที่เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าก็ต้องแก้ทางความสงสัยให้ได้ ในขณะใดที่จิตผ่องใสด้วยศรัทธาประสาธะในพระคุณของพระพุทธเจ้าในพระประวัติของพระพุทธเจ้าก็พยายามประคับประคองจิตเอาไว้ให้อยู่ด้วยอารมณ์เช่นนั้นนานๆซึ่งจะเป็นฐานให้เกิดความสงบไปตามลำดับแห่งการปฏิบัติแต่บุคคลอาจจะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าและกลับมาสงสัยในธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งกรณีจะพบว่า แม้ในหมู่พุทธศาสนิกชนเองยังแสดงออกให้เห็นถึงความเครือบแครงสงสัยไม่แน่ใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงจัตสรู้และทรงแสดงไว้ซึ่งบางครั้งบุคคลผู้นั้นก็อาจจะไม่รู้สึกด้วยตัวเองว่าการแสดงออกมาในลักษณะเช่นนี้แสดงว่าไม่เชื่อในสัจจัยยุตธยามของพระพุทธเจ้าเช่นเมื่อคราวเปียชนคนที่รักต้องพลัดพรากจากไป ก็แสดงความอาลัยรักต่อบุคคลเหล่านั้นแล้วพูดออกไปว่าหากว่าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เกิดพบกันอีกเป็นสามีปัญญากันอีกเป็นแม่เป็นลูกกันอีกเป็นเป็นเพื่อนฝูงกันอีกคำว่าท่าชาติหน้ามีจริงที่เกิดขึ้นภายในจิตและเขียนลงไปนั้นแสดงให้เห็นอาการที่เกิดขึ้นต่อนเนื่องของโมหะที่ปรากฏในรูปของวิจิกิจชาแต่ไม่ได้เกิดขึ้นภายในจิตอย่างเดียว บังคับกายบังคับวาจาให้พูดให้เขียนให้พิมพ์ออกไปด้วยนี่ก็คือสภาพจิตที่ยังมีวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยในพระญาณของพระพุทธเจ้าในธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้แต่การแสดงออกซึ่งความไม่เคลือบแคลงสงสัยในกรณีนี้ก็พูดไปเลยจะขอให้พบกันอีกในชาติต่อไปเป็นญาติพี่น้องการเป็นสามีปัญญาการเป็นเพื่อนฝูงกันในชาติต่อไปเป็นต้น สภาพจิต ท, ที่ปรากฏในลักษณะนี้เป็นการบ่งชี้เห็นว่าอุคลผู้นั้นไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในจุดนั้นและแสดงออกมาได้ทั้งทางกายและ ท, งทางวาจาการกระทำอย่างอื่นหรือความคิดในลักษณ ะ, ษณะอื่นก็พึงเทียบเคียงโดยในยะนี้คือหมายความว่าในกรณีใดก็ตามที่ความคิด เกิดสูญเสียความเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นในกรณีของการกระทําดีทําชั่วหรือทําดีได้ดีทําชั่วได้ช่วเป็นต้นแต่พอเกิดเครื่องแปรงสงสัยขึ้นมาเอ๊ะจะได้ดีจริงหรือจะได้ช่วยจริงหรือแล้วเกิดความสับสนขึ้นภายในจิตแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งก็ชื่อว่าขณะนั้นมีโมหะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลตลอดถึงเมื่อศึกษา ธรรมะตามขั้นตอนที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นอกุศลสิ่งนี้เป็นกลางๆงเมื่อบุคคลไปประกอบกระทําสิ่งที่เป็นกุศลก็เกิดเครื่อแปรงสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊่นี่จะเป็นกุศลจริงหรือหรือว่าไม่ใช่เพราะคนบางอย่างก็ทําอย่างนี้ก็เห็นมีความสุขความเจริญดีมีความเจริญก้าวหน้าดีน่าจะไม่เป็นอกุศลหรือบางครั้งบางคราวแม้แต่สมาทานศีลไปแล้ว ก็เกิดสงสัยในศีลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ก็แสดงให้เห็นถึงความเครือบแคลงสงสัยในศีลในพุทธบัญญัติต่างๆเช่นว่าสมาทานศีลข้อที่ห้าไปแล้วก็เกิดเครือบแครลงสงสัยขึ้นมาว่าข้อห้ามของพระองค์นั้นห้ามมากน้อยแค่ไหนเพียงใดห้ามจนถึงก็ขาดสติหรือว่าไม่ขาดสติหรือว่าห้ามแม้เพียงดื่มก็ชื่อว่าเป็นการผิดศีลแล้วเป็นต้น แล้อายความเครือบแคลงสงสัยในลักษณะนี้จิตก็จะโน้มเอียงไปนในทางดื่มมากกว่าที่จะไม่ดื่มแต่จะระมัดระวังอยู่ในจุดที่ไม่ขาดสติเป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าในชั้นของศีลถ้าปฏิบัติเช่นนั้นศีลก็ขาดสภาพจิตก็ถูกครอบงำด้วยความเครือบแคลงสงสยัยและแสดงออกตลอดกระบวนการเกี่ยวกาับางกาย่า ง, าางาจากในลักษณะที่จมกันข้าม ธรรมะอันใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเป็นอย่างไรว่าจะเป็นกุศลเป็นอกุศลหรือเป็นกลางๆ ก, ก็ตามก็มีความเชื่อมั่นอยู่ในธรรมะเหล่านั้นไม่มีความเคลื่อบแปลงสงสัยบางอย่างในกรณีที่สุดวิสัยของตนก็ถือว่าเป็นเรื่องของพระสัพพัญญุตยานที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นด้วยพระสัพพัญญุตยานของพระองค์ก็อาศัยความเชื่อมั่นดยูในญาณดังกล่าวคือยึดมั่นในะตถาคตโพธิสัตว์ไว้ว่าจะควบคุมจิตใจตัวเองไว้ได้ บางคนก็อาจจะเครือข่าสงสัยในพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวปัญหามากที่สุดในเกี่ยวข้องกับพระัตนาใจตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเริ่มต้นมาจากความไม่เข้าใจในความเป็นสังขรรตนะณะสังการตระณะที่ชาวบ้านประกาศถึงก็ดีที่พระประกาศถึงก็ดีนั่นแต่จริงแล้วเป็นการประกาศถึงสังฆงสนังกรฉามิถึงซึ่งประสงค์ว่าเป็นสนานที่พึ่งทีลึก เป็นการประกาศตนถึงพระสังฆรัตนะได้แก่พระสงฆ์ที่เป็นพระญาบุคคลจากพระโสดาบันบุคคลขึ้นไปจนถึงพระอระหันต์พระญาบุคคลนั้นเป็นบุคคลไม่มีปัญหาแต่ภายในจิตใจของบุคคลจะไม่มองไปในแง่นั้นมักจะไปกำหนดเอาที่ตัวบุคคลซึ่งเป็นสมตสสมติสุขสมมติสุขนั้นภายในจิตใจก็ยังสับสนเปลี่ยนแปลงไป ตามอำนาจของกิเลสทั้งหลายจะมากหรือน้อยก็ตามพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกอาจจะถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างในกรณีที่ไม่ถูกต้องจิตใจของบุคคลก็จะเกิดความสับสนถ้าเป็นการเจาะเฉพาะบุคคลไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรเท่าไรแต่ส่วนมากแล้วมักจะเป็นการเหมาโลเกิดขึ้นคือไม่เห็นคนใดคนหนึ่งประพฤติไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็สันนิษฐานว่าแม้คนอื่นก็คงประพฤติเช่นเดียวกัน ความเครือแรงสงสัยก็จะเกิดขึ้นภายในใจกลายเป็นกำแพงขวางกั้นความศรัทธาความเลื่อมใสในพระสังฆรัตนะให้ลดน้อยลงไปภายในจิตใจแต่ถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจถึงพระสังฆคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสี่บทแรกเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติทรงเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมเป็นผู้ปฏิบัติสมควรอย่างที่สวดการวสุปฏิโนพ ร, ร, ราว่าโตสาวกสังโฆเป็นต้น เราก็เพ่งมองเอาว่าความเป็นพระสงฆ์อย่างแท้จริงในความหมายทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติทรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามนี้ก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ในความหมายที่สมบูรณ์จิตใจก็จะไม่ไปให้ความสำคัญแก่บุคคลเหล่านั้นแต่จะมีความยึดมั่นอยู่ในพระสังฆรัตนะ ความสะสนภายในจิตของบุคคลก็ไม่เกิดขึ้นความเครียบแครงก็จะเบาบางลงไปจากจิตใจจนถึงก็หมดสิ้นไปหรือมาอย่างนั้นบุคคลอาจจะสงสัยในหลักของไตรสิกขาคือหลักศีลสมาธิและปัญญาที่ถือประพฤติปฏิบัติกันข้อนี้สำหรับบุคคลผู้ได้ใช้ปัญญาพินิพิจารณาตามหลักไตรสิกขาที่ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้และทดสอบลงมือประพฤติปฏิบัติให้สัมผัสผลจากศีลจากสมาธิจากปัญญาในระดับใดระดับหนึ่งได้แล้วความเครือบแคลงสงสัยก็จะน้อยลงแต่ถ้าจับใดที่บุคคลยังไม่ได้สัมผัสผลไม่ว่าจากศีลก็ตามจากสมาธิก็ตามจากปัญญาก็ตามความเครือบแคลงก็จะบังเกิดขึ้นอยู่เรื่ยไป และที่สําคัญบางคนจนถึงก็มองเห็นว่าการปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงเอาไว้เป็นการขัดผลประโยชน์ของตัวเองทำให้ตัวเองไม่สามารถร่ํารวยและมีความก้าวหน้าความสำเร็จในการสร้างสถานะของตนเองได้จนถึงกับเกิดความเชื่อมั่นที่ออกจวิปาลาดออกไปว่าถ้าต้องการร่ํารวยต้องการมีฐานะก็จะต้องโกงถ้าไม่โกงก็จะไม่ร่ารวยเป็นต้น คำพูดในลักษณะนี้มองซึ้งลงไปถึงพื้นฐานทาง จ, จิตใจแสดงเห็นว่าไม่มีความเชื่อมั่นในใจสิกขาเพราะว่าในใจสิกขานั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์และตนก็ได้สมาทานศีลไปว่านะสิเลนะสุกติยันติบุคคลจะไปสุคติได้ก็เพรานะศีลสิเลนโภกสัมปทาบุคคลจะสมบูรณ์ด้วยโภกสมบัติได้ก็เพราะศีลสิเลนนิปุติยันติ บุคคลจะบรรลุปณิพนันได้ก็เพราะสินเมื่อความคิดเกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าวก็เป็นการแสดงเห็นถึงความเครือบแคลงสงสัยในใจศกขาซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นคือไม่มั่นใจในหลักใจศกขาที่ทรงสแสดงเอาไว้แต่ถ้าบุคคลอาศัยหลักของโยนิสมนัสิการหรือปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณาจนลงมือประพฤติปฏิบัติและได้สัมผัสผลธรรม ก็จะเห็นได้ด้วยจิตใจของตนเองว่าหลักใจศิขาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้นั้นเป็นระบบการศึกษาที่มุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับอย่างแท้จริงเป็นการศึกษาที่พยายามควบคุมบุคคลให้อยู่ในกฎเกณฑ์กติการะเบียบวินัยเงื่อนไขต่างๆของสังคมให้ได้สีก คือความประพฤตินำหน้าวิชาตามหลังเมื่อบุคคลสามารถควบคุมอาการทางกายทางวาจาได้ก็มุ่งที่ฝึกปลือในด้านจิตใจของบุคคลให้มีความสงบมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นต่อจากนั้นจึงให้ปัญญาหรือความรู้แก่บุคคลผู้นั้นในแง่ของพื้นฐานธรรมดาสามัญคือในแง่ของสังคมจริงๆ ถ้าระบบการศึกษาที่ให้ความสำคัญแก่ความประพฤติอยู่ข้างหน้าปัญญามาทีหลังบุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นการผ่านขั้นตอนแห่งการพัฒนาจิตใจเพราะบุคคลที่ควบคุมตัวเองได้มีวินัยในตนเองได้มีใจิตใจที่มั่นคงเมื่อมีวิชาความรู้ก็จะใช้วิชาความรู้ไปในทางที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นโดยส่วนเดียวเพราะปัญญาวิชาที่เกิดขึ้น แกบุคคลที่จิตใจ ย, ยังไม่มั่นคงนั้นมีความเป็นมิตรสังคมอยู่คือเขาอาจจะใช้ไปทางที่เป็นประโยชน์ก็ได้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้เช่นคนที่จบเป็นยาสูงๆอาจจะจบระดับเป็นยาเอกแต่ไม่ได้ฝึกในด้านระเบียบปินายมาไม่ได้ฝึกในด้านจิตใจมาอาศัยความรู้เพียงอย่างเดียวก็จะใช้ความรู้ไปในทางที่ผิดได้ดังนั้นแม้การศึกษาใน พระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าทรงเรียงเป็นพระวินัยพระสูตรพระบิธรรมก็เรียงในลักษณะนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้บุคคลได้ฝึกปลืออบรมตนให้ได้เสียก่อนแล้วต่อไปก็ศึกษาในด้านที่จะพัฒนาจิตใจควบคุมจิตใจแล้วจึงเสริมสร้างในด้านปัญญาก็จะเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนไปโดยลําดับปัญญาที่บังเกิดขึ้นจะเป็นปัญญาที่คุ้มครองตัวเองได้ จะสร้างประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นได้โดยส่วนเดียวแต่ในขณะเดียวกันเมื่อบุคคลปฏิบัติอยู่นั้นยกตัวอย่างในกรณีของการปฏิบัติตามหลักของศีลความเครือบแคลงในตัวศีลและในอานิส ง, งส์ของศีลในผลของศีลก็อาจจะบังเกิดขึ้น <c oughs> เพราะมีความรู้สึกว่าใกล้ๆจะถูกมัดมือมัดเท้าเอาไว้ให้ตนสูญเสียโอกาสที่จะสแสวงหาผลประโยชน์แข่งขันกับบุคคลอื่นและในที่สุดก็เลิกละศีล แทนที่จะสมาทานสีได้หข้อก็ อ, อาจจะเหลือข้อเดียว2ข้อเป็นต้นเป็นการปฏิบัติประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ก็ค่าปฏิบัติถอยกลับคือแทนที่จะก้าวหน้าแต่จะเป็นการถอยหลังถ้าวิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึงพื้นฐานทางใจเป็นเหตุให้มีการปฏิบัติถอยหลังก็จะพบว่าพราะเขากเกิดสงสัยขึ้นมาว่าการปฏิบัติสีนั้นจะอำนวยประโยชน์ให้จริงหรือไม่หรือว่าเป็นการผูกมัดตัวเองไว้กับกรอบแบบแผนประเภณนี้หรือพันธนาการตัวเองเอาไว้ ความรู้สึกเหล่านี้แม้แต่ท่านที่บวชมาในพระพุทธศาสนาก็เกิดความรู้สึกขึ้นได้เสมอเวลาปฏิบัติถูกระเบียบวินัยกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่ท่านทรงบัญญัติไว้มากก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับตัวเองต้องเป็นนอนอยู่กลางหนามกระดิกกระเดียบไปไหนไม่ได้มีแต่อาบัเต็มไปหมดแล้วในที่สุดก็เกิดท้อถอยในกา ร, รปฏิบัติจนถึงศึกษาลาภเพศออกไปในชั้นของสมาธิก็ จ, จะเกิดความเครือเปลงสงสัยขึ้น ถึงตามปกติแล้วการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นดังที่เคยเล่าถึงนิทานบุคคลซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลป่าเป็นปัญหาที่คนจะต้องประสบเสมอเหมือนกันเพราะการจะให้เกิดเป็นสมาธิคือจิตใจมีความสงบนั้นนอกจากจะอาศัยการประพฤติกระทาที่สืบเนื่องในปัจจุบันตามสำนวนที่ทรงแสดงว่าอบรกมกระทํามมากแล้ว บารมีธรรมที่บุคคลสร้างสมบรูรณ์มาในอดีตกาะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแต่หากว่าบารมีธรรมในอดีตมีมากพอการพุทธปฏิบัติในปัจจุบันมีความสืบเนื่องถึงกันความสงบก็จะบังเกิดขึ้นได้ในเวลาไม่นานนักแต่ถ้าหากว่าทั้งสองอย่างเกิดบกพร่องไปคือบารมีธรรมในอดีตซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าตนเองมีมากหรือน้อย การกระทำในปัจจุบันก็มีลักษณะกระท่อนกระแท่นไม่มีความสืบเนื่องหรือว่านานๆจะนั่งทำความสงบสักครั้งหนึ่งเวลาความสงบไม่บังเกิดขึ้นภายในจิตก็จะเกิดความเครื่อนแปลงสงสัยขึ้นมาได้ว่าสมาธินี้จะทำได้จริงหรือจิตใจของตนจะมีความสงบจริงหรือหรือว่าจะเป็นการพราพรานเวลาสูญเสียเวลาของตนไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ในสุดก็เกิดท้อถอยในการปฏิบัติสมาธิ บางทีก็อาจจะสงสัยในหลักของการปฏิบัติเรจะยุบหนอพองเนอดีพุทโธดีสัมมาอารหังดีหรือนับลมหายใจเข้าออกดีเป็นต้นในที่สุดก็เร่ร่อนไปในสำนักต่างๆการจะ ต, ต้องเร่ร่อนไปนั้นแสดงให้เห็นว่าจิตใจ ย, ยังไม่มีความมั่นคงอะไรมยังมีความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าการปฏิบัติที่แท้จริงนั้นกิเลสก็หยุดทิ่ใจความสงบก็อยู่ที่ใจอวิชชาก็อยู่ที่ใจปัญญาก็อยู่ที่ใจวิชาก็อยู่ที่ใจ ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นในภายในใจของบุคคลนั่นเองไม่จําเป็นจะต้องไปสแสวงหาการช่วยเหลือเกื้อกูลจากบุคคลอื่นโดยยิ่งขึ้นไปกว่านั้นจะเห็นว่าบางครั้งบางคราวที่เร่ร่อนไปในที่ต่งตางๆนั้นมันมีลักษณะของความเครือบแคลงสงสัยที่ซ้ําซ้อนขึ้นมาคล้ายๆกับว่าการที่ตนจะเกิดความส ง, งบหรือไม่ส ง, งบนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุน มีแนวความเชื่อถือในลักษณะการดนบรรดาลรากฎรูปภายในใจซึ่งก็เป็นอาการของวิจิกิจชาเช่นเดียวกันวิจิกิจชาจึงมีลักษณะที่แฝงเร้นปรากฏรูปร่างหน้าตาออกมาหลายลักษณะบางครั้งคนก็ไม่รู้บางครั้งคนก็รู้แต่ว่าแก้ไขวิจิกิจชาที่เกิดขึ้นภายใ น, ในจิตใจไม่ได้ในธรรมนองตรงกันข้ามถ้าหากว่าบุคคลมีความเชื่อมั่นในหลักรัฐาคตะโพชิตาดังกล่าวแล้ว เชื่อมั่นในการจัดสรุปของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในตัวอย่างบุคคลที่ปฏิบัติตามหลักของใจศีขาและได้รับผลมาแล้วจนเข้าถึงความเป็นประสานกัลปตนะก็จะไม่เกิดความเครือบแคลงสงสัยในหลักใจศีขาที่ตนลงมือประพฤติปฏิบัติไปเช่นปฏิบัติในศีลแม้จะสัมผัสผลหรือไม่สัมผัสผลก็ตามแต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้นั้น คนเป็นนั้นมากได้รับผลการที่เราไม่ได้รับผลนั้นไม่ใช่เป็นความผิดพลาดบกพร่องของสีลแต่จะต้องมีความผิดพลาดบกพร่องอยู่ที่เราเองแล้วก็เปลี่ยนพยายามแก้ไขที่ตัวเองในข้อนี้มีลักษณะเด่นอยู่ประการหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือบุคคลที่ปฏิญาณตนเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาบางครั้งบางคราวตัวเองปฏิบัติไม่ได้แล้วก็สื่ารลาเพศออกไป ลดฐานะตัวเองลงไปรักษาศีลห้าเป็นต้นแต่บุคคลเหล่านั้นมีพื้นฐานทางเหตุผลและสติปัญญาอยู่ภายในใจแทนที่จะไปตีโพยตีภายโทษพระราชทานใจก็จะโทษวาสนาบารมีพื้นเพยัตยาใสของตัวเองความพยายามของตัวเองว่าอ่อนไปจึงไม่สัมผัสผลเช่นเดียวกับที่คนอื่นเขาสัมผัสแต่ว่าจุดใดที่ตนสามารถทําได้ประพฤติปฏิบัติได้ก็จะยึดมั่น ทำในฐานะนั้นๆให้เต็มตามความสามารถของตนความสะสนภายในจิตก็จะไม่บังเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าในขณะนั้นจิตก็ปราศจากความเคลือบแครงสงสัยในชั้นของศีลว่าในอานิสงส์ของศีลหรือในองค์ของศีลหรือในผลสืบเนื่องที่เราจะได้มาจากการรักษาศีลในด้านของสมาธิก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตามว่าบุคคลได้ใช้หลัก ของโยนิสโสมนนสิการโดยมีฐานคือความเชื่อมั่นในการศัสรูของพระพุทธเจ้าก็จะมีความเชื่ออย่างลงมั่นมั่นคงภายในจิตใจของตนบางสมาธินี้บุคคลสามารถก่อให้เกิดขึ้นมาได้แต่จะสงบได้เร็วหรือได้ช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย2ประการดังกล่าวแล้วคืออุปนิสัยปัจจัยของตนอุปนิสัยารมีของตนที่เก็บสะสมอรม์ไว้ในอดีตและการกระทาของตนในปัจจุบัน ซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าถ้ามีความเชื่อมั่นในลักษณะนี้บุคคลก็พร้อมที่จะใช้ความเปลี่ยนพยายามไปอาจจะนั่งสักร้อยครั้งพันครั้งไม่เคยส ง, งบเกิดขึ้นภายในใจแต่ศรัทธาที่เชื่อมั่นในสมาธิก็จะไม่ผ่อนคลายลงเพราะมีตัวอย่างบุคคลเป็นอันมากในสมัยพุทธกาลเองแม้แต่อยู่ในพุทธสํานักท่านก็ปฏิบัติบาเพ็ญเพียรในลักษณะสืบเนื่องแต่ของเก่าวนั้นมีน้อยเหลือเกินไม่เกิดขึ้นมาสนับสนุนถ้าก็สร้างของใหม่ขึ้นมา จะก็คล้ายๆกับว่าบุคคลบางคนอาจจะร่ารวยได้เร็วเพราะได้รับมรดกใช้ความเปลี่ยนพยายามในปัจจุบันไม่เท่าไหร่ก็ร่ารวยได้เร็วแต่อีกคนหนึ่งนั้นไม่มีไม่ได้รับมรดกพิเศษอะไรก็ต้องสร้างสถานะขึ้นในปัจจุบันแต่ถ้าความเปี่ยนพยายามของบุคคลนั้นมีลักษณะที่สืบเนื่องกันไปมีความฉลาดในอุบายวิธีเครื่องดำเนิชีวิตโอกาสหนึ่งเขาก็จะร่ารวยขึ้นมาได้การมาเป็นเพียนทางจิตของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ความสงบนั้นจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนในขณะที่ความสงบยังไม่เกิดนั้นแท้ที่จริงก็เกิดแต่เกิดเป็นปริมาณน้อยเป็นลักษณะของการค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมขึ้นภายในจิตของบุคคลทํานองเดียวกับความรู้ความเข้าใจในสระพยัญชนะที่ศึกษาเ่าเรียนกันสมัยเป็นเด็กตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าอ่านหนังสือออกเพราะยังอ่านอะไรไมออกแต่อาศัยการค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมขึ้นมาบ่อยๆในที่สุดก็อ่านออก เรื่องของสมาธิที่บุคคลอบรมกระทําให้มากอยู่ภายในใจมีลักษณะสืบเนื่องก็จะเป็นเช่นนั้นก็การหนึ่งความสงบก็จะบังเกิดขึ้นถ้าเป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าขณะนั้นจิตใจของบุคคลนั้นปราศจากความเครียดแคลงสงสัยความไม่แน่ใจในเรื่องของสมาธิสิกขาหรือจิตสิกขาในกรณีของปัญญาก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ปัญญาชั้นการพินิษพิจารณาระดับนี้เป็นการพินิษเวจนาที่ทวนกระแสะกิเลสอย่างรุนแรงมากแต่ว่าปัญญาไม่แก่กล้ามากพอแล้วก็อาจจะถูกกระแสะกิเลสท่วมทับปิดบางปัญญาจากสุคือดวงดว ง, ดวงตาคือปัญญาเอาไว้ก็ได้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะกิเลสรายงานว่ารูปสวยเสียงไปร้อกลิน่นหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจับต้อง แต่ปัญญาจะต้องมองย้อนขึ้นไปว่ารูปไม่สวยเสียงไม่ไพเราะกลิ่นไม่หอมรสไม่รอร่อยสัมผัสไม่น่าจับต้องล้วนแล้วจะเป็นของปฏิกูลอโศกหม่ว่าจะโดยสีโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยที่อาศัยของสิ่งเหล่านั้นแต่จริงแล้วร่างกายก็เป็นที่ประชุมแห่งซักศพทั้งหลายมีผมขนเป็นต้นทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของที่น่าเบือเบ่อหน่ายและมีความเป็นปฏิกูลอยู่โดยสภาพซึ่งเป็นการทวน กระแสกันเหมือนกันน้ำขุ่นกับน้ำใสที่ไหลมาปะทะกันปัญหาว่าน้ำอะไรมากกว่าน้ำอะไรแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะสลายอีกฝ่ายหนึ่งถ้าน้ำขุ่นแกมามากเกินไปน้ำใสก็ต้องขุ่นตามไปด้วยแต่ถ้าน้ำใสามากแกจะสลายความขุ่นข้นกดความขุ่นข้นเอาไว้ข้างล่างข้างบนก็กลายเป็นน้ำที่ใสสะอาดได้การต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอิเลสหรือระหว่างปัญญากับโมหะก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีกำลังมากกำลังน้อยแต่เมื่อบุคคลมีการอบรมกระทํางบ่อยๆเข้าในที่สุดปัญญาก็จะบังเกิดขึ้นขจัดโมหะอย่างน้อยที่สุดความเครือบแคลงสงสัยก็จะเบาบางลงไปภายในจิตใจในขณะนั้นแสดงว่าจิตของบุคคลปราศจากโมหะการกำหนดพินิจพิจารณาจึงต้องอาศัยสติสัมปชัญญะและความเพียรที่เป็นไปอย่างแรงกล้าโดยนยติกล่าวแล้วต่อแต่นี้ไป ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป